เปิดการอบรมปฏิบัติธรรมเบื้องต้นที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัตินั้นเริ่มมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็มีการสอนการปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกปีมีการบวชชีพราหมณ์ทีละร้อยทีละหลายร้อยหลายพันคนแต่ก็ผลที่ทำไปแล้วก็ดูจะไม่ได้ผลคุ้มค่าเท่าไหร่แต่เตรียมงานนี่เหนื่อยมากในสมัยนั้น ต่อมาก็มีการปรึกษากัน30ปีล่วงมาแล้วนะ น, นี่ก็มาปรึกษากันกับท่านายว่าทำยังไงเราถึงจะให้ญาติโยมผู้มาปฏิบัตินี้ได้ประโยชน์ที่สุดอะไรปรึกษากันเราเปิดสอนการปฏิบัติธรรมเถอะน่าจะดี ก็เด้เริ่มมาครั้งแรกมีคนมาปฏิบัติห0สิบกว่าคนถือว่ามากและเป็นครั้งแรกอากาศก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ชั้นบนสลานะอากาศร้อนมากเหงื่อไหลชงกายเดือนมีสาการปฏิบัติเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ผลดีพอประมาณคือยังไม่เต็มที่ เราก็ทำมาเรื่อยๆต่อมาทางทางมหาเทรสมาคมก็ให้วัดเรานี้เป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเขาเริ่มขายายวงกว้างออกไปผู้คนมาปฏิบัติก็มากขึ้นบางเดือนนั้นที่นั่งไม่พอเลยเรารับได้เท่าที่กำลังเราปีมันไม่เหมือนบวชที่พรามบวชที่พรามนั้น เราทําเดือนมีนาเมษามีนาเมษานี่มันอากาศมันพื้นที่มันก็สบายไม่มีฝนไม่มีอะไรปูเสือนอนอยู่ตามใต้ร่มไม้ก็ได้สมัยซาลานี่ยังไม่เสร็จก็อยู่ตามร่มไม้ตั้งเครื่องย้ายเสียงแล้วก็เทศให้ฟังบางทีเทศตลอดคืนเลย แนและแต่บัดนี้เปลี่ยนไปจากการปฏิบัติธรรมแบบบวชจีพรามณ์โดยการจัดเป็นคอร์ดเป็นหน่วยเดือนหนึ่งมีแต่ก่อนสองเดือนครั้งหนึ่งต่อมาก็เพิ่มขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งและต่อมาในงานที่มีพวกครูพวกอาจารย์ปิดเทอมก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น สองคอศสามคอศหัวท้ายและกกลางเดือนเมษาตุลาได้มีมากขึ้นเปิดโอกาสในคนที่อยากมาแต่ว่าไม่มีเวลามาให้มาได้ปฏิบัติอัตมาในฐานะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าวาดวัดป่าดอนไห้โศก ได้พระราชทานพัดยศเป็นชั้นเอกชื่อว่าพระครูสิทธิประภากรพระราชธินานามเป็นพระครูสิทธิประภากรแต่ชื่อของอาตมาคือด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเป็นเจ้าอาวาสฟัดป่าดอนหายโศกแห่งนี้ มาตั้งแต่เริ่มเป็นป่าอยู่สร้างมาตั้งแต่ปี 2,523 วันที่17เมษายน 2,523 เริ่มสร้างมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมนี้ได้มอบหมายให้ท่านพไบร์ เป็นพ่วงหน่วยการในการปฏิบัติธรรมคือดูแลการปฏิบัติธรรมให้เป็นพ่วงหน่วยการปฏิบัติธรรมอัตมาก็อยู่ในฐานะช่วยเหลือคือมาเทศอบรมญาติโยมเป็นครัง้งเป็นคราวตามโอกาสตามเห็นสมควรแต่ก็จะสอนวิธีปฏิบัติสมาธิให้สําหรับผู้ยังไม่เคยมาปฏิบัติ ให้รับหน้าที่นี้และให้ทำงานดูแลผู้ปฏิบัติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> ต่อไปจะเทศนาว่าการแนะนำวิธีการปฏิบัติให้อา้าวอันดับแรกนี้ให้นั่งสมาธิส่วนผู้หญิงจะนั่งยังไงก็ได้ตามสะดวกผู้ชายนั่งสมาธิ เอาขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักผู้ปฏิบัติให้ตั้งใจทำตามที่อัตมาจะอธิบายวิธีปฏิบัติเบื้องต้นให้ให้หายใจลึกๆ สักสองสามครั้งหายใจลึกสักสองสามครั้งหายใจลถ้งทองหนุนคอยอสังเกตลมที่ออกที่เข้าลมเข้าลมออก กระทบตรงไหนหรือว่าเราสังเกตได้ตรงไหนให้ตั้งใจคอยรู้อยู่ตรงนั้นตรงที่ลมกระทบนั่นแหละหรือว่าที่สังเกตได้นั่นเอง ให้ดูลมเรียกว่าอาณาปานสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกให้คอยรู้อยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องส่งตามลมเข้าหรือลมออกคอยรู้อยู่ที่เดียวให้สังเกต ด, ดูให้ดี เห็นลมหายใจเข้าเห็นแล้วลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาว ไม่ต้องบังครับเพียงแต่คอยรู้ว่ามันออกเข้ามันยาวคนสบายใจมันต้องยาวลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้ลมอยู่อย่างนี้แหละ เรื่อยไปลมหายใจเข้าสัน้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสัน้นลมหายใจออกสัน้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสัน้นลม มีทั่วตัวก็ให้รู้ว่าลมมีทั่วตัวคือลมมันขยายวงออกไปเราเห็นละเอียดลง เ, เห็นลมไปหมดทุกส่วนในร่างกายนี่มีแต่ลมทั้งนั้นลมหายใจเล็กลงหรือละเอียดลง อ่อนลงน้อยลงก็ให้รู้ว่าลมมันน้อยลงมันอ่อนลงละเอียดลงต่อไปอีกวันี้ถ้าเรากำหนดลมไม่ได้หมายความว่ามันลมมันละเอียดแล้วเรากาหนดไปได้ก็ให้คอยรู้สึกจับความรู้สึกว่าไม่มีลมเหนัอนไว กิดเราจะละเอียดลงไปจะสงบลงไปอั น, นนะอันดับแรกมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านเองอันดับที่สองลมเข้ายาวลมออกยาวอันดับที่สามลมกว้างขวางใหญ่โต รู้ว่าทั้งร่างกายเราสามารถกาหนดรู้ได้หมดก็ให้รู้ว่าลมมันกว้างขวางใหญ่โตลมมันเล็กลงละเอียดลงแผ่เบาลงจนแทบจะกาหนดไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าลมมันระงับลงไปไม่มีลมเลยก็ให้ตั้งสติคอยรู้ว่าไม่มีลมหายใจเข้าออก แต่มันเข้าออกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็ให้รู้ว่าลมเข้าออกนี่มันละเอียดไปแล้วคอยตั้งสติคอยเฝ้าดูความรู้สึกความไม่มีลมนั่นไว้อันนี้คือการปฏิบัติฝึกหัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ อย่าไม่เคยมาฝึกหัดส่วนผู้ที่เคยมาฝึกหัดสมนี้ชำนาญดีแล้วไหวคอยเข้ารูลมละเอียดลงไปให้คอยเฝ้าดูลมมันละเอียดลงไปอย่างนี้แหละ การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปานสติคือมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าก็ก็ทําอย่างนี้แหละคือลมหายใจเข้าออกนี่แหละในวันที่จะได้ตัดสนุนะแต่ว่าที่เราเอามาปฏิบัติเราเอามาสี่อัน กายคตาสติเอามาเฉพาะกายคตาสติลมสี่แบบที่เราว่ามานี่แต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เท่านี้มันมีทั้งหมดสิบหกขั้นถ้านับย่อยออกไปก็เป็นสามสิบสองขั้นในสิบหกขั้นนี้ ตัดไว้ในพระไตรปิฎกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกขอให้ท่านไยบณ์อภิปุโนอ่านอาณาปานสติสูตรให้ผู้ปฏิบัติฟังิมตนภิกษุทหลายอาณาปานสติ อันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็อนาปนสติอันเธอเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้ หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู้ขาก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงนำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเท่ะนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจ เข crust, ้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น hm. ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงให้ใใ่เข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงให้ใส่ออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทําการปรุงแต่งทางกาย ให้ระงรับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งปีติหายใจออกเถียย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเขา้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขให้ใจออกเถย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระ ง, งับอยู่ หายใจเข้าไว้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต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 ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกพย่ยมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าเมื่อเราเป็นผู้ทำจิต ให้ปล่อยอยู่หายใจออกเยย่อยมทำการศึกษาฝึกฝนไว้้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าไว้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหจ า, า, หา ย, ยจ ใ, หใจออก แต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำห้ใจเข้าไว้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำห้ใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็น ซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเขา้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกโตยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจํา หายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุ์ทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ถามประพูร มีถึงสิบหกขั้นเราปฏิบัติได้ขั้นเดียวก็เห็นความสุขในใจแล้วแค่เห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวเท่านี้เราก็สามารถทำจิตให้สงบได้แล้วเพราะเบื้องต้นจริงมีสติ มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าให้สังเกตอันนี้ให้ดีมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกจับโอรงตัวสตินี่เอง หายใจเข้ายาวก่อยรั่วาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก่อยรั่วลมหายใจออกยาวเนี่ยเราปฏิบัติให้มันได้ตรงนี้แหละจิตเราจะสงบทันทีถ้ามันคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่ถูกอันนั้นไม่ถูก กำหนดลมเนี่ยอยู่เรื่อยๆ เ, เห็นลมเข้าออกอยู่เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติได้เต็มถึงสิหขั้นเนี่เราหลุดจากกิเลสทั้งหมดเลยเพียงเรามากำหนดลมหายใจเข้าออกเท่า น, นี้คิดเราก็สงบแล้ว ถ้าเราทำติดต่อไปเรื่อยๆยอมละเอียดลงกว่านี้อีกมันก็รูกก้คอยเห็นของมันเองมันเป็นไปได้ทั้ง16ขั้นเองถ้าถึง16ขั้นแล้วก็กิเลสหลุดออกหมดเลยไม่มีราคะโทสะโมหะในใจเลยเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำจัด ราคาคาจัดโทสะกําจัดโมหะออกจากใจเราราคาโทสะโมหะนี้เป็นกิเลสกิเลสแปลว่าเครื่องทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ขุนมัวทำใจให้มืดบอดไม่มองเห็นอัดเห็นธรรม ไม่มองเห็นความดีความชั่วไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษไม่เห็นอะไรเลยพอเราปฏิบัติเราก็จะเห็นความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราใจเราจะไม่เดือดร้อนเลยจะเย็นสบาย กระทบอารมณ์น้อยใหญ่อย่างไรก็ตามใจเราก็สงบอยู่ได้สบายอยู่ได้เขาจะด่าเราจะว่าเราจะทำอะไรกับเราเราก็ไม่สนใจสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น หรือว่ากระทบอารมณ์ปั๊บเราจะส่งไปตามเรื่องที่มาให้เข้าหาลมหายใจปั๊บทันทีเลยจิตก็จะสงบลงทันทีอารมณ์หรือเรื่องต่างๆนั้นจะดับหายไปจากใจเราใจเราจะสงบเยือกเย็นสบายมีความสุข เดียวก็มีธรรมะในใจมีธรรมในใ จ, จใจเราจะสบายจใจเราจะสงบจใจเราจะเยือกเย็นเยือกเย็นเป็นสุขให้สังเกตให้ดี อยู่ที่นี่ก็ตามอยู่ที่กุฏิก็ตามค่อยคยสังเกตลมหายใจเขาออกเรื่อยๆอยู่โรงจังหันก็ตามอยู่ในห้องน้ําก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามให้คอยสังเกตลมหายใจอยู่เรื่อยๆสติของเราก็จะมีติดต่อกันไปตลอด